พระพุทธเจ้าส่งสอนพวกเราชาวพุทธไม่ให้ประมาทกันไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาททำอย่างไรจึงเรียกว่าไม่ตั้งอยู่ในความประมาทพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องหมั่นพิจารณาอยู่นเนืองๆว่าเราเกิดมาแล้ว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 ร่วงพ้นการพัดพากจากกันไปไม่ได้นี่คือวิธีที่จะทำให้เราไม่ประมาทกันแล้วต้องพิจารณามากน้อยเพียงไรจึงทำให้เราไม่ประมาทกันพระพุทธเจ้าก็ทรงถามพระอา น, นุ์อ น, นุนวันวั น, ว น, วนหนึ่ง เธอพิจารณาถึงความตายวันละสี่วันละกี่ครั้งพระอนนท์ก็ตอบว่าวันละสี่ห้าครั้งเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนและตอนที่ตื่นขึ้นมาพระพุทธเจ้าบอกอนนท์เธอยังประมาทอยู่วิธีที่จะทําให้เธอไม่ประมาท เธอต้องนะลึกแบบนี้เมื่อเราหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกเราก็ต้องตายเมื่อเราหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าเราก็ต้องตายคือให้พิจารณาทุกลมหายใจเข้าออกถ้าพิจารณาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแล้วมันจะไม่เผลอ มันจะไม่ลืมถ้าไม่พิจารณาแปบ๊บหนึ่งมันจะลืมทันทีมันจะลืมความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคจากกันทันทีแล้วมันก็จะมาคิดว่าเราไม่แก่เราจะไม่เจ็บเราจะไม่ตายเราจะไม่พัดภาคจากกันเมื่อคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่ยอมแก่กันห็นอไงใช่ไหม ไม่ยอมแก่ใช่ไหมมีใครยอมแก่บ้างสู้กับความแก่เนะ่เนี่ยสัญญกรรมต่างๆนี่ผุดมาอย่างก็ดอกเห็ดสมัยนี้เพราะความไม่ยอมแก่กันไม่ยอมเจ็บไข้ได้ป่วยหน้ากากเต็มไปหม ด, ดนี่น้ำยาล้างมือเต็มไปหมดไม่ยอมเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ยอมตาย ซื้อประกันชีวิตกันไม่ยอมตายกันซื้อประกันอะไรต่างๆไม่ต้องการพลาดพลากจากของที่เรารักซื้อรถก็ต้องซื้อประกันรถ ด, ด้วยซื้อแหวนเดี๋ยวนี้ซื้อแหวนเพชรก็ต้องซื้อประกันแหวนเพชรด้วยเพราะไม่ยอมให้มันพลาดพลากจากเราไปเราก็เลยวุ่นวายกันชีวิตของเรา แทนที่จะอยู่กันอย่างมีความสุขมีความสบายใจกับเครียดกับการเนี่ยต่อสู้กับความแก่ต่อสู้กับความเจ็บไข้ได้ป่วยต่อสู้กับความตายต่อสู้กับการพัดพางจากสิ่งที่เรารักบุคคลที่เรารักไปแต่ถ้าเรามันพิจารณาอยู่เรื่อย พอนึกขึ้นมาได้พิจารณาไปเลยใหม่ๆนี้จะถ้าถ้าจะถามว่าวันนี้ได้พิจารณากันหรื อ, อยังเนี่ยรับได้ว่าไม่มีใครพิจารณากันเลยเดมไปเลยแล้วไม่ใช่วันนี้วันเดียวไม่รู้กี่วันเหมือนแล้วตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่เทศถึงเรื่องนี้มครั้งสุดท้ายเมื่อเทศอาจจะเอาไปพิจารณาสักครั้งสองครั้ง แต่เราก็ลืมไปเลยลืมไปจนถึงวันนี้ถึงต้องมาเตือนกันใหม่ถ้าไม่เตือนก็จะลืมไปแล้วก็จะคิดว่าจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่พัดพากจากกัน <c oughs> พอคิดอย่างนี้ก็จะไม่ยอมแก่ไม่ยอมเจ็บไม่ยอมตายไม่ยอมพัดพากจากกันก็เลยวุ่นวายต่อสู้กับ ความจริงที่สู้ไม่ได้เนะี่ยความจริงเหล่านี้เราสู้มันไม่ได้หรอกสู้กันยังไงในที่สุดก็ต้องยกธงขาวกันนะเพราะความจริงนี่มันเหนือความอยากของพวกเราเหนือความหลงของพวกเราความหลงความลืมของพวกเราแกล้งไปลืมนี่มันไม่ได้ไปทําให้ความจริงมันหายไปแร้ว บางคนคิดว่าถ้าเราไม่คิดว่าเราจะแก่แล้วเราจะไม่แก่นะถ้าเราคิดว่าเราจะไม่เจ็บแล้ว เ, เราก็จะไม่เจ็บเนะี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงความจริงนะความจริงมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันอย่างแน่นอนแต่คนบางคนกลับไปคิดว่าคิดแล้วเดี๋ยวมันเกิดขึ้นเหมือนสาบแช่งตัวเองเองนะีกคิดอย่างนั้นไปอีก พอคิดถึงความตายเนี่ยเดี๋ยวจะตายกันแล้วเหมือนจะสาบให้ตัวเองตายคําว่าคำคำว่าตายนี่เลยไม่นิยมใช้กันไหมไม่ยอมใช้คําตายกันเพราะกลัวว่าถ้าเอ่ยถึงคําคําว่าตายแล้วมันจะตายกันต้องมีคําอื่นแทนพระพุทธเจ้าตายก็เรียกว่าพระพุทธเจ้านิพพาน พระเจ้าแผ่นดินตายก็เรียกว่พาพระเจ้าแผ่นดินสวรรคตเนี่ยพระตายก็เรียกว่ามรณภาพเนีไม่ยอมใช้คําว่าตายเพราะกลัวว่าพอพูดคําว่าตายแล้วเดี๋ยวจะตายกันนะการคิดถึงความตายนี้ไม่ได้เป็นอภิมงคนแต่อย่างใดไม่ได้เป็นการสาดแช่งแต่อย่างใด แต่เป็นการให้สติให้ปัญญาให้ความรู้ที่จะมาสนับสนุนการกระทำของเราเพื่อให้จิตของเราสงบให้จิตของเราสบายไม่ได้มาสร้างความเสื่อมเสียต่างๆอย่างบางคนคิดกันเพราะเขาเอาอารมณ์ของเขาที่เกิดขึ้น เวลาที่เขาคิดถึงความตายหรือเห็นความตายแล้วเขาจะเกิดอารมณ์หดหูขึ้นมาก็เลยกลับไปคิดว่าการคิดถึงความตายนี่เป็นอัปมงคลเพราะทำให้อารมณ์หดหูไม่มีกระจิตกระใจที่อยากจะทำอะไรแต่นี่ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นการเระเลิกถึงความตาย เราเลิกถึงความแก่เราเลิกถึงความเจ็บเราเลิกถึงการาพลาดลาจากกันนี้มันจะเป็นเหมือนออสัญญาณสีนามอออสอะไรีนามอเนี่ยจะมถ้ามีการส่งสัญญาณไว้ก่อนว่าเฮ้ยขึ้นยักษ์จะมาแล้วนเนี่ยแถวภูเก็ตพังงาจะไม่ตายกันเป็นเบือเอ่อ แต่ไม่มีการส่งสัญญาณบอกกันล่วงหน้าเพราะมันมาแน่ๆแต่มันยังมีเวลาอีกหลายชั่วโมงเพราะมันอยู่ไกลนะจุดที่มันมีแผ่นดินไหวแล้วทำให้เกิดขึ้นยักษ์ขึ้นมามันอยู่ที่อินโดนีเซียกว่าจะมาเดินทางมาถึงภูเก็ตถึงพังงา น, นี้มันอีกหลายชั่วโมงถ้ามีสัญญาณเตือนภัยถ่าหน่อย บอกให้รีบหาที่สูงกันนะอย่าไปอยู่แถวชายทะเลคนจะล่ดตายกันเป็นเยอะแยะไปหมดอันนี้ไม่มีการเตือนกันล่วงหน้า mm hmm. ก็สนุกสนานเฮฮากันเล่นน้ำกัน mm hmm. พอขึ้นมาเนี่ยซัดตายกันกันอันนี้ก็เหมือนกันการที่เรามาละลึกถึงความจริงของร่างกายของเรานี่ มันเป็นการเตือนใจเราเตือนภัยให้เรารู้ว่าสินามิจะมาแล้วนะสินามิจะมาแล้วมาในรูปแบบของความแก่ในรูปแบบของความเจ็บไข้ได้ป่วยในรูปแบบของความตายในรูปแบบของความพัดภากจากกันก็คือความทุกข์นั่นเองความทุกข์จะมา และหลังจากที่มันมาแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะทำอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราได้ต่อไปเพราะชีวิตของเราคือจิตใจของพวกเรามันไม่ได้สิ้นสุดที่ความตายของร่างกายจิตใจของพวกเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันยังเดินทางต่อมันต้องออกเดินทางต่อไป ทีนี้ถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมนะเราก็จะไม่รูนะ้เราก็อาจจะคิดว่าตายแล้วศูนตายแล้วจบนะแต่ถ้าเราฟังเทศฟังธรรมจากผู้รู้คือพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระอริยสงฆนะ์เราจะได้รู้ว่าหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วนี่ เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายและเรามีทางไปอยู่สามช่องทางด้วยกันที่เราสามารถที่จะเลือกไปได้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่เราเหมือนเราสามารถไปซื้อตัว๋วเลือกซื้อตั๋วได้ว่าจะเอาไปทิศไหนทิศที่จะไปของ วิญญาณของวกเราก็มีอยู่สามทิศทางด้วยกันไปสู่ทุกขติคืออบายไปสู่สุขคติคือสวรรค์ไปสู่นิพพานคือการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเรามีเวลาล่วงหน้าเราจะได้เตรียมตัวซื้อตั๋วได้เลือกซื้อตั๋วเอาได้ว่าอยากจะไป ทางไหนก็ซื้อได้แต่ถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวพอถึงเวลาตายเราจะถูกบุญกรรมเป็นผู้ตัดสินให้เราไปตอนนี้เราอยู่เหนือบุญกรรมแต่พอเราตายแล้วนี่บุญกรรมมันอยู่เหนือเราตอนนี้เราตายนี่เราต้องมอบดวงวิญญาณของเราให้กับบุญกรรมไปบุญกระบาบไป แต่ตอนนี้เรายังไม่ตายนี่เราสามารถเลือกจะไปเลือกจะทําบุญก็ได้เลือกจะทําบาปก็ได้เลือกจะไปนิพพานก็ได้นี่แหละคือสิ่งที่เป็นความจริงที่พวกเราอาจจะรู้หรืออาจจะไม่รู้กันถ้าไม่รู้ก็ควรจะรู้ตั้งแต่บัดนี้ ว่าเราไม่ได้จบลงที่ความตายของร่างกายเรายังต้องไปต่อเราไปแบบให้บุญบาป พ, พาไปหรือเราจะไปแบบให้เราพาตัวเราเองไปเองเราตอนนี้เลือกได้เลือกที่จะไปอบายก็ได้เลือกที่จะไปสุคติคือสวรรค์ชั้นต่างๆก็ได้ เลือกไปนิพพานก็ได้ตอนนี้เลือกได้แต่ถ้าพอหมดลมหายใจแล้วเลือกไม่ได้ตอนนั้นเป็นเรื่องของบุญของบาปอย่ามาฝันว่าจะมาเลือกตอนจิตสุดท้ายชอบชอบคิดเรื่องจิตสุดท้ายกันหรือ ก, กันก่อนตายจะได้มาเลือกว่าจะไปทางไหนเหมือนกับมเหมือนกับตั้งสถานีวิทยุปรบบขึ้นได้ มันปรับไม่ได้ถึงจิตสุดท้ายนี่มันกำลังโกลาหลนไม่มีเวลาที่จะมานั่งปรับขึ้นจิตใจให้ไปตามทิศที่ต้องการจะไปได้เพราะบุญกับบาปนี่มันปรับอยู่ในอัตโนมัติแล้วเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะตายกันเราเป็นเหมือนอเจ้านายของบุญของบาป เราสั่งทำบุญได้เราสั่งทำบาปได้แต่พอเวลาเราตายบุญกับบาปมันจะเป็นเจ้านายของเรามันจะเป็นคนสั่งให้เราไปไหนกันสั่งให้เราไปอบายสั่งให้เราไปสวรรค์หรือสั่งให้เราไปนิพพานนั่นแหละนี่หละคือทำไมเราจึงต้องมาคิดถึงเรื่องของความตายกัน เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลามาสร้างมาทําเรื่องที่ไร้สาระคือมาต่อสู้กับความแก่ความเจ็บความตายมาต่อสู้กับการพัดพลากจากกันเนี่ยทุกวันนี้ที่เราอยู่กันนี่เราสู้กับอะไรเราก็สู้กับความแก่กันนะสู้กับความเจ็บไข้ได้ป่วยกันสู้กับความตายกันสู้กับการพัดพลากจากกัน ซึ่งสู้ยังไงก็ต้องแพ้อยู่ดีสู้ไปให้เสียเวลาทำไมสู้ยอมแพ้เสียแต่บัดนี้ดีกว่าแล้วมาจะได้มีเวลาเอาเวลามาทำอย่างอื่นที่มีคุณค่ามีประโยชน์เพราะไม่ฉะนั้นเวลาที่เราต่อสู้กับความแก่ความเจ็บความตายความพัดพ่าจากกันโอกาสที่เราจะสู้ด้วยบาปนี่มันมากเหมไหม เห็นไหมคนในโลกนี้ทำบาปกว่าทำบุญใครมากกว่ากันทำบาเพื่อต่อสู้เพื่ออยู่รอดเห็นไหมทำบาเพื่อจะได้รํารวยทำบาเพื่อจะได้เป็นใหญ่เป็นโตนี่เป็นการต่อสู้กับความแก่ความเจ็บความตายและวิธีต่อสู้ด้วยการทำบาปนี้มันง่าย มันยะมันไม่ยากเหมือนกับต่อสู้ด้วยการทำความดีทำบุญทำประโยชน์แต่ถ้าเรามาลํำลึกถึงว่าในที่สุดชีวิตของเราก็ต้องมีวันสิ้นสุดลงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เราไปแสวงหามาเพื่อมาต่อสู้กับความแก่ความเจ็บความตายมันไม่มีประโยชน์กับเราเลย เวลาที่ร่างกายเราตายไปแล้วมันไม่เป็นผู้ที่จะเป็นผู้ตัดสินว่าเราจะไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งดังนั้นถ้าเรารู้ความจริงว่าสิ่งที่จะไม่ผลกับเราต่อไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว ก็คือการกระทาของเราในปัจจุบันนี้ที่พระพุทธเจ้าส่งให้เราเลือกทาได้สามทางด้วยกันไม่ส่งสอนให้เลือกให้เลือกกพราะให้เลือกทำสามทางนี้ทางที่หนึ่งก็คือให้มาละา ก, การกระทาบาปทั้งฝวงเพราะการไม่กระทาบาปจะเป็นการหยุดการไปเกิดในอบาย ไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเป็ดเป็นนัสุลกายไปตกนรกการไม่ทําบาปมันก็ไม่ยากตอนนี้ยอดโยมไม่ทําบาปกันแลเนี่ยทุกคนเนี่ยรับประกันได้ว่าตอนนี้ไม่มีใครทําบาปใช่ไหมว่าไม่มีใครพูดอะไรไม่มีใครทําอะไรใช่ไหมไม่มีใครโกหกใช่ไหมไม่มีใครลักทรัพย์ของคนอื่นใช่ไหมไม่มีใครหยิบไปไปหยิบนู่นหยิบนี่ของคนนั้นของคนนี้ ของไข่ก็ตั้งไว้อยู่อยนไม่ได้ไปประพฤติผิดประเวณีกับไข่ไม่ได้ไปฆ่าไข่มันยากตรงไหนไการไม่ทำบาปมันยากมันง่ายจะตายไปเนี่ยมานั่งจับมานั่งฟังธรรมมันก็มีศีลห้าแล้วครบบริบูรณ์นะเรลาก็ไม่ดื่มการจะทำบาปนี่มันยากกว่าการไม่ทำบาปสนะมั้ย ถ้าอยากจะดื่มโซลาก็ต้องไปหาสุลาแล้วสิไม่มีเงินก็ต้องหาเงินก่อนกว่าจะได้ดื่มโซลานี่เหนื่อยนะเราเราได้โทษเราได้โทษกลับมาไปเหนื่อยกับการไปเอาโทษทําไมเพราะความหลงไอ้คิดว่าเป็นความสุขเป็นประโยชน์อได้ดื่มโซลาแล้วจะสบายใจสบายเดี๋ยวเดียวออ สบายตอนที่เมาเนี่ยลืมไปหมดเรื่องราวต่างๆที่เคยทำให้ปวดหัวหายไปหมดชั่วคราวแต่พอตื่นขึ้นมาหายเมาที่ก็ปวดหัวอีกเลยปวดทั้งปวดทั้งหัวทางร่างกายและปวดทั้งหัวทางจิตใจเรื่องเก่ามันก็ไม่หายมันก็กลับมาอยู่อีกเรื่องที่ทําให้เราปวดหัวมันก็กลับมาใหม่ เรายังมีแถมมีเรื่องปวดหัวของร่างกายให้เรามาปวดอีกเนี่ยมันยากจะตายของง่ายกับไม่ทำกันชอบทมของยากกันของง่ายก็คือเนี่ยยาเดือมสุราเนี่ยนั่งเฉยๆตอนนี้ไม่มีสุรามใช่ไหมไม่มีเงินก็ไม่ต้องไปดิ้นลนไปหาเงินมาเพื่อมาซื้อสุรามาเดือมเนี่ยสิ่งที่ว่าเจ้าสอนจึงพูดง่ายๆว่ามันเป็นสิ่งที่ทาได้ง่าย แต่ใจของพวกเรานี้มันชอบทำของที่มันยากของที่มีคุณมีประโยชน์ไม่ชอบทำชอบทำของที่มีพิษมีภัยต่อจิตใจเพราะของพวกนี้มันมันมันมีของของล่อใจมันมีความสุขแบบประเดียวปะดามาล่อใจได้ดื่มสุราก็ได้คลายความเครียดชั่วคราว ได้ประพฤติผิดประเวณีก็จะได้ความสุขชั่วคราวได้โกหกก็จะได้ประโยชน์ชั่วคราวได้รักทรัพย์ก็ได้ความสุขชั่วคราวได้ฆ่าก็ได้บรรเทาความเครียดความมาค่าพยาบาทความแค้นได้ชั่วคราวแต่มันจะมีความทุกข์ตามมาต่อไปใจจะไม่สบายใจหลังจากที่ได้ทำบาปแล้ว แล้วมันจะสะสมในใจของเราที่จะเป็นผู้ที่จะมาตัดสินในวาระสุดท้ายของชีวิตว่าเราจะไปทิศทางไหนกันถ้าเราสะสมบาปไว้มากกว่าบนบาปนี้ก็จะเป็นผู้มีอำนาจที่จะสั่งการให้ดวงวิญญาณของพวกเราไปเกิดในอบายกัน พระพุทธเจ้าเลยบอกว่าให้เรามาละการกระทำบาปกันดีกว่าถ้าเราต้องทำมาหากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ทำด้วยอาชีพที่สุดจริญอย่าไปทำอาชีพที่ต้องทำผิดศีลผิดธรรมได้ไม่คุ้มเสียได้รักษาร่างกายที่เป็นของชั่วคราว แล้วก็ต้องไปทําลายจิตใจที่เป็นของถาวรให้ไปรับทุกข์ในอบายเหมือนส่งดวงวิญญาณเราไปติดคุกกันนการกระทําบาปของเรานี้ไม่เหมือนทางโลกนะทางโลกทําผิดกฎหมายอาจจะไม่ไปติดคุกก็ได้นแต่ทางทางของธรรมทางของดวงวิญญาณนี้หนีไม่ได้นะ กฎแห่งกรรมนี้มันอัตโนมัติไม่ต้องมันไม่ล่องมารอให้มีตำรวจมาจับไม่ต้องส่งให้อัยการไม่ต้องส่งขึ้นฟ้องศาลไม่ต้องรอให้ศาลตัดสินกฎแห่งกรรมนี้มันจะตัดสินโดยอัตโนมัติทําบาปปุ๊บก็ทุกขึ้นมาทันทีแล้วก็ตายปั๊บก็ไปอบายทันทีไม่มีการรอลงอาญาเนนี่แหละ ทิศทางที่เราจะไปกันถ้าเราไม่มาคอยลำาลึกถึงความตายของร่างกายว่าต่อให้เราทำหาความสุขมากมายขนาดไหนมาให้กับร่างกายก็ตามในที่สุดร่างกายมันก็ต้องจบลงแล้ว สิ่งต่างๆที่เราหามาได้นี่มันก็หมดประโยชน์ไปแต่วิธีหาสิ่งต่างๆมานี่มันจะมีผลตามมาต่อไปมันจะเป็นตัวที่จะมาส่งให้เราไปติดคุกติดตารางในโลกทิพย์กันมีอยู่สี่แดนด้วยกันแดนเดลฉานแดนเปรตแดนนสุลกายแดนนรก แต่ถ้าเราละเลิกถึงความตายอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็อาจจะคิดว่าโอยไปวุ่นวายกับการหาหนูน่นหานี่มาทำไมเดี๋ยวก็ตายไปละตายไปก็จบเงินทองทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆความสุขชนิดต่างๆที่หากันมาแทบเป็นแทบตายที่หามาด้วยการกระทำบาปนะมันก็หมดไป มันไม่บดกับเรามันมันไม่มันเราไม่สามารถใช้มันได้แล้วพอร่างกายเราตายไปแล้วเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกก็เอาเงินของมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกไปไม่ได้เป็นพระราชาเป็นปฐานาธิปดีเป็นอะไรก็ตามพอเมดลนมหายใจแล้วเหมือนเอาอะไรไปไม่ได้เลยผู้ที่จะ เอาไปก็คือบุญหรือบาปเนี่ยผู้ที่จะส่งเราไปก็คือบุญหรือบาปต่อไปดังนั้นในการดำรงชีวิตของเราในการหาความสุขทางร่างกายของเหล่านี้ถ้าเรายังต้องหาอยู่ก็ขอให้หาอยู่ในกรอบของศีลธรรมนะอย่าไปหาด้วยการกระทำบาปแล้ว เราจะได้ไม่มีโทษตามมาการที่เราจะทำม า, มาหากินหาอะไรต่างๆแบบสุดจริตได้เราต้องระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราไม่ไระลึกถึงความตายไม่ไระลึกถึงว่าหลังจากที่เราตายแล้วเราจะไปไหนต่อเราก็จะหมกมุ่นกับการหา ประโยชน์สุขให้กับชีวิตของเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่แล้วยิ่งหายิ่งทำให้เกิดความอยากได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะโดยธรรมชาติของความอยากนี่มันไม่มีควาว่าอิ่มความว่าพอท้องอมดน้าในมหาสมุทรจะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนมันก็ยังมีขอบมีฝั่ง แต่ความอยากนี่มันไม่มีขอบไม่มีฝังได้สิบแล้วมันก็อยากจะได้ร้อยได้ร้อยก็อยากจะได้พันก็คิดดูตอนเป็นเด็กเราได้สิบใช่ไหมก็อยู่ได้มีความสุขพอโตขึ้นมาหน่อยสิบไม่พอแล้วต้องร้อยแล้วอย๋ยวนี้พันพอไหมไม่พอหมื่นพอไหมไม่พอ แสนพอไหมไม่พอล้านพอไหมไม่พอได้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันอิ่มวันพอเพราะความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆนี้มันไม่ได้ทำให้ความอิ่มความพอกับจิตใจของพวกเรามันกลับจะทำให้เกิดความหิวความอยากเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเรามาละลึกถึงความตายอยู่บ่อยๆ ความตายนี่แหละจะเป็นตัวสกัดความโลภได้จะทําให้ความโลภความอยากที่ไม่มีขอบมีฝานี่ไม่มีฝั่งนี่มีขอบมีฝั่งขึ้นมาได้ก็คือความตายเราก็มานั่งคํานวณเถอะว่าวันวันหนึ่งตอนนี้เราใช้เงินเท่าไหร่แล้วเราจะอยู่ไป ก, กี่ปีอคูณมันเข้าไปแล้วพอเรามีแล้วเราก็จะได้บอกว่าพอแล้วเราอาจจะ ลดลงก็ได้ว่าเราอาจจะคิดวเวลาอยู่ถึงแปดสิบแต่อาจจะมีอุบัติเหตุอุบัติภัยมีอะไรเกิดขึ้นมากมายกายกองที่ไม่มีใครสามารถคาดคิดได้ก็อาจจะลดเหลือแค่อาจจะอยู่แค่สามสิบสี่สิบมันก็จะได้ไม่ต้องสะสมมากไม่ต้องหามากถ้ายังอยู่ต่อก็ค่อยหาใหม่ก็ได้อถ้ายังมีชีวิตอยู่ยังหาได้อยู่ไม่ไม่ลําบาก ถ้าเคยหาได้แล้วมันก็หาไปได้เรื่อยๆไม่จำเป็นที่จะต้องมีเงินกองเท่าภูเขาใช้ไปอีกร้อยชาติก็ไม่หมดมีไว้ทำไมแล้วยิ่งถ้าได้มาโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องนี้วิธีที่จะมีโทษตามมามีว่ามีไว้ทาไมเอามาทำไมนี่แหละคือประโยชน์ที่เราจะได้รับ จากการที่เราับนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆมันจะลดความอยากลดความโลภให้น้อยลงมันจะทําให้เราคิดแบบมีเหตุมีผลกันแล้วมันจะทําให้เราเริ่มคิดถึงการทำบุญเริ่มคิดถึงเรื่องของการไม่ทําบาปกันเพราะเราจะได้รู้ว่าเราหลังจากที่เราตายไปแล้วนี่เรา ร่างกายตายไปแล้วนี้เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเรายังต้องมีการเดินทางไปต่อเ <lips> มื่อเรารู้ว่าเราจะต้องไปต่อเหมือนกับเรารู้ว่าเนี้ยสมมติว่าต่อไปเมืองไทยมีเหตุการณ์หนองเลือดอยู่กันไม่ได้เนี่ยเราต้องอบายยศประโยชนย์เมืองนอกเมืองนากันตอนนี้ ถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราก็เตรียมการได้่เราจะเลือกไปประเทศไหนประเทศไหนเขาต้องการให้เรามีอะไรเราก็เตรียมไว้สิเขาต้องการให้เรามีวีซา่าต้องการให้เรามีเงินกี่หมื่นกี่แสนเราก็เตรียมมาไว้พอถึงเวลาเกิดการนองเลือดขึ้นมาเราก็ไปได้เลยแต่ถ้าเราไม่เตรียมการไว้เราก็อาจจะต้องอบพยศไปอยู่ตามชายแดน เห็นไหมพวกที่คมเมนเวลาอพยพ้ามาเมืองไทยเมืองไทยไม่ให้เข้ามาอยู่เพราะไม่มีวีซ่าไม่มีไม่มีคุณสมบัติที่จะให้เข้ามาอยู่ในประเทศได้เขาก็ต้องกลักตัวอยู่ที่ชายแดนเพื่อมนุษยธรรมคือถ้าผลักดันกลับไปเดี๋ยวก็อาจจะตายแต่ถ้าเข้ามาก็ยังมาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่อยู่ในประเทศ เขาก็เลยจัดโซนให้อยู่ตามบริเวณชายแดนน่าสายบุญของสาหาประชาชาติมาเอาข้าวอะไรมาเลี้ยงให้พออยู่ไปได้วันวันหนึ่งนี่คือพวกที่ไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนพวกที่ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์นองเลือดเกิดขึ้นในบ้านบนในเมืองของตนก็ไม่เตรียมการไว้ ส่วนพวกที่เตรียมการเขาก็เบนไปนู่นฝรั่งเศสไปนู่นเขมรโนบะยพไปอยู่ฝรั่งเศสกันเวียดนามก็ไปฝรั่งเศสไปอเมริกากันพวกคนที่เขามีอมีเงินมีอะไรเขาว่าเตรียมการไว้ล่วงหน้าพวกเราก็เหมือนกันเดี๋ยวเราก็ต้องเจอนองเลือดคือร่างกายเรามันจะนองเลือดนมันจะตายอาอ พอตายแล้วดวงดวงจิตดวงใจของเราก็อยู่อยู่ติดกับร่างกายไม่ได้แล้วต้องแยกออกจากกันทีนี้ก็จะถูกบุญหรือบาปที่เราได้ทําไวน้นีเป็นผู้พาไปถ้าเรารู้ว่าบาป พ, พาเราไปในทางที่ไม่ดีเราก็อย่าไปทําบาปกันถ้าเรารู้ว่าบุญพาให้เราไปในทางที่ดีเราก็มาทําบุญกัน ถ้าเรารู้ว่าถ้าเราชำระจิตใจสักพอกจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปได้เราก็จะได้ไปนิพพานกันเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่การพิจารณาถึง ความสิ้นสุดของร่างกายนี้จะทำให้เราได้คิดด้วยเหตุด้วยผลถ้าเราไม่ละลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายเราจะลืมแล้วเราก็จะหมกมุ่นกับการหาความสุขต่างๆในขณะนี้กันอยากจะไปเที่ยวก็ไปเที่ยว ไม่มีเงินเที่ยวก็หาเงินกันอยากจะซื้ออะไรไม่มีเงินซื้อก็หาเงินซื้อกันก็หมกมุ่นอยู่กับการหาความสุขแบบชั่วคราวไปในแต่ละวันแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องมาเครียดเวลาที่มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันมากระทบกันเช่นโรคระบาดเช่นอุบัติภัยต่างๆเป็นดินไหวบ้าง พายุบ้างน้ำท่วมบ้างเหตุการณ์ในบ้านเมืองไม่สงบบ้างมันก็มาก่อกวนความสงบสุขของเราทำให้จิตใจเราเครียดกันไม่มีความสุขกันทั้งๆที่พยายามที่จะหาความสุขกันตลอดเวลาแต่สิ่งที่เราหามาได้นี้มันไม่สามารถมาให้ความสุขให้ความสงบกับใจเราได้ มันกลับเป็นตัวที่มากระตุ้นทำให้เกิดความเครียดภายในใจให้มีอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะสิ่งต่างๆที่เราหามานี้มันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเวลามันอยู่กับเรามันให้ความสุขกับเราแต่เวลามันไม่อยู่กับเรามันก็จะกลายกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาในใจของพวกเรา แล้วก็ไม่มีใครรับประกันได้ว่ามันจะอยู่กับเราไปนานเท่าไหร่ ừ. Ừ. พอมีเหตุการณ์ที่จะมากระทบกับสิ่งต่างๆที่เราไ่อยู่กันเราก็จะต้องวุ่นวายใจกันจะเครียดกันจะไม่มีความสุขกันเพราะว่าเราไม่รู้จักวิธีที่จะดูแลรักษาใจของพวกเราไม่ให้เครียดกันนั่นเอง เพราะเราไม่ละเลิกถึงความแก่ความเจ็บความตายกันถึงความพัดพากจากกันถ้าเรามันละเลิอกอยู่เรื่อยๆ เ, เราจะได้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราอาศัยให้ความสุขกับเราอยู่นี้มันไม่เป็นสิ่งที่แน่นอนไม่มีใครรับประกันว่ามันจะให้ความสุขกับเราไปจนวันตายได้ แล้วเราก็ไม่มีใครอยากจะตายด้วยแต่ถ้าเรามาเลิกถึงความจริงเราก็จะได้มาปรับทัศนคติของเราใหมาว่าเราอยู่ในโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งสิ่งทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เราหามาได้ที่เรามีอยู่นี่มันไม่แน่นอนว่ามันจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆ ร่างกายของเรามันก็จะไม่มีกำลังวังชาแบบที่เรามีอยู่ในขณะนี้อยู่เรื่อยๆเดี๋ยววันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องเสื่อมกำลังลงมันแก่ลงไปหรือเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาหรือเกิดความตายขึ้นมาแล้วความสุขต่างๆที่เรามีอยู่นี้ก็อัจะอันตรธานหายไปหมด พอไม่มีความสุขสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คืออะไรก็คือความทุกข์ใจความทรมานใจความเศร้าโศกเสียใจความว้าเหวความเหงาความอะไรที่ไม่ดีต่างๆมันก็จะผุดขึ้นมาในใจของเราแต่ถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องเจอกับเหตุการณ์อย่างนี้เราก็จะได้ มาคิดใหม่ดีกว่าว่าเราต้องเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์แล้วต้องรับกับเวลาที่เราไม่มีอะไรแล้วเวลาที่เราแก่แล้วเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่เราตายแล้วเราจะพึ่งสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในตอนนี้ไม่ได้แล้วเราต้องหาที่พึ่งใหม่กันแล้วแล้วเราก็โชคดีที่เราได้มาเกิดในยุค ที่มีคนฉลาดคือพระพุทธเจ้าผู้ที่ทรงค้นพบที่พึ่งอันใหม่ที่เราสามารถพึ่งได้อย่างมั่นคงที่จะเป็นที่พึ่งของเราตลอดเวลาที่จะไม่มีวันพัดภากจากเราไปที่พึ่งอันนี้ก็คือความสุขในใจของเราความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี่เองที่ เป็นจะเป็นที่พึ่งของเราต่อไปที่จะที่จะทำให้เราไม่ต้องมาพึ่งร่างกายไม่ต้องมาพึ่งทรัพสมบัติข้าของเงินทองต่างๆไม่ต้องมาพึ่งคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราพระพุทธเจ้าท่านเป็นคน ทำเป็นตัวอย่างให้เราเห็นเมื่อก่อนท่านก็เพิ่งทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเป็นเจ้าชายเห็นหมมีทรัพย์สมบัติมีอะไรต่างๆมาให้ความสุขมีปราสาทสามฤดูมีบริสัทบริวารคอยรับใช้ตอบสนอง ความอยากต่างๆอยากดูก็มีคนมาแสดงอะไรให้ดูอยากฟังก็มีคนมาร้องรำร้องอะไรให้ฟังอยากจะกินอยากจะดื่มอะไระก็มีคนจัดหาเครื่องดื่มค้าอาหารมาให้กินมาให้ดื่มมีความสุขแต่พอท่านไปเห็นอนาคตของท่านขึ้นมาเห็น ร่างกายที่จะต้องแก่เห็นก้างกายที่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นร่างกายที่ต้องตายท่านท่านก็เห็นความทุกข์ทันทีเห็นความทุกข์ที่จะเข้ามาทันทีเวลาที่ร่างกายนี้แก่หรือเจ็บหรือตายลงไปจึงทำให้ท่านบอกว่าคิดในใจว่าพึ่งน่่งกายนี้ไม่ได้แล้ว พึ่งทรัพสมบัติข้าวของเงินทองนี้ไม่ได้แล้วต้องไปหาที่พึ่งงานใหม่ดีกว่าก็เลยไปบวชเพอได้ทราบว่าพวกนักบวชนี่เขามีวิธีที่จะหาความสุขอีกแบบหนึ่งแบบที่ไม่ต้องพึ่งไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ทรัพสมบัติข้าของเงินทองไม่ต้องใช้คนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเรา ไม่ต้องให้ไม่ต้องใช้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราเพียงแต่สร้างความสงบให้เกิดขึ้นภายในใจเท่านั้นแล้วความสงบนี้จะผลิตความสุขให้กับเราในที่สุดพระ อ, องค์ก็เลยต้องออกบวชนะไปหาไปเปลี่ยนวิธีหาความสุขใหม่เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาเพึ่งร่างกายอีกต่อไปแล้วพระ อ, องค์ก็ทรง คนพบวิธีหาความสุขแบบที่ถาวรสมัยนั้นท่านไปศึกษาจากพวกนักบวชทั้งหลายเขาก็รู้จักวิธีหาความสุขแบบชั่วคราวคือวิธีเข้าสมาธิแต่เวลาออกจากสมาธิมาความสุขของสมาธิก็หายไปความทุกข์ที่เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายก็กลับมาใหม่ เราองค์ก็เลยต้องส่งค้นหาโดยวิธีวิธีต่างๆว่าทำอย่างไรทำให้ใจไม่ต้องมาทุกเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิก็ส่งค้นพบ ว, ว่าเกิดจากความอยากของใจที่ยังไม่ได้ตายไปเวลาที่เข้าไปในสมาธิเวลาเข้าไปในสมาธิความอยากถูกกำลังของสมาธิกดเอาไว้ทำให้มันไม่แสดงผลไม่แสดงตัวออกมา ต, ตอนที่อยู่ในสมาธินี่ไม่มีความอยากเลยไม่มีความอยากไ ด, ได้นู่นได้นี่มีนั่นมีนี่ไม่มีความอยาก เ, เที่ยวไม่มีความอยากอะไรทั้งนั้นแต่พอจากสมาธิปับ๊บเนี่เริ่มอยากขึ้นมาทันทีพอคิดถึงความสุขในวังก็อยากจะกลับไปทันทีพอคิดปั๊บมันก็ทำให้ความทุกข์เกิดขึ้นมาทันทีพออยากควบความอยากความสงบหายไปทันทีความ ความไม่สบายใจเกิดขึ้นทันทีพระองค์ก็เลยทรงคนพบว่าสาเหตุที่ทำให้ใจไม่สงบเหมือนตอนที่อยู่ในสมาธิก็เพราะความอยากความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายพอมีความอยากจะหาความสุขผ่านทางร่างกายก็เกิดมีความอยากให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอ รู้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่พอพิจารณาดูความจริงแล้วไปเปลี่ยนความจริงได้หรือไม่ก็เปลี่ยนไม่ได้ร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าจะอยากหรือไม่อยากที่ร่างกายมีปัญหากับเราก็เพราะว่าเราไปไปยุ่งกับมันเองเราไปอาศัยเหมันเราไปใช้มันเป็น คนรับใช้เราพาเราไปหาความสุขต่างๆถ้าเราเลิกใช้มันเจยเท่านั้นมันก็ไม่มีปัญหามันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายเราก็ไม่เดือดร้อ น, นพะองคก็เลยเลิกเวลาออกมาจากสมาธิพอเกิดความอยากที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นไก่ก็พิจารณาว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยง ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ช้าก็เลยวก็จะไม่สามารถหามันได้พอหามันไม่ได้ก็จะทุกข์เพราะยังเลิกไม่ได้เพราะเพราะมันเป็นเหมือนยาเสพติดนะพอไปเสพแล้วมันจะติดแล้วเวลาไม่มีเสพมันจะทุกข์เนี่ยงั้นถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็เลิกเสพมันอย่าไปเสพมันอย่าไปเสพรูปเสียงกลิ่นลอดผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วความอยากให้ร่างกาย ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ไม่มีความอยากจะให้ร่างกายแข็งแรงไปตลอดก็ไม่มี <Yeah. S 1> ก็อยู่ไปตามอัตภาพของมัน mm hmm. มันจะแกะ่มันจะเจ็บมันจะตายก็ปล่อยมันแก่ปล่อยมันเจ็บปล่อยมันตายไปแต่ใจไม่เดือดร้อนแล้ว mm hmm. เพราะใจตัดความอยากที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายได้พระองค์ก็เลยพบกับความสงบตลอดเวลา สงบโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้สงบเพราะตัดความอยากได้ตัดกามตัณหาตัดภาวะตัณหาตัดวิภาวะตัณหาได้ใจก็ไม่ต้องเข้าสมาธิหลังจากนั้นใจมีความสงบตลอดเวลาสงบแบบายาวนานยิ่งกว่าสมาธิสมาธิก็สงบได้เป็นพักๆ พ, พอออกมาก็เจอความทุกข์จากความอยาก ทีนี้พอใช้ปัญญาพิจารณากำจัดความอยากได้ด้วยใจลับมันก็หายอยากไม่มีความอยากหลงเหลืออีกต่อไปใจก็เลยสงบตลอดเวลาทีนี้ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เป็นปัญหาใจก็ยังสงบเหมือนเดิมอยู่เพราะความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ไม่ได้อาศัยร่างกาย อาศัยธรรมคือสติและปัญญาที่ได้ทรงเจริญจนสามารถมาแก้ปัญหาของใจให้หมดไปได้คือปัญหาของใจก็คือความไม่สงบที่เกิดจากความอยากพอมีสติมีปัญญามันก็จะกำจัดความอยากที่มาทำให้ใจไม่สงบได้พอใจไม่มีความอยาก ใจก็จะสงบตลอดเวลามีความสุขตลอดเวลาแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไปเพราะมันเป็นความสุขที่ถาวรไม่เหมือนกับความสุขที่เราหาผ่านทางร่างกายหาได้วันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องหาใหม่วันนี้ไปเที่ยวสนุกสนานกันเดี๋ยวพอพรุ่งนี้ตื่นก็นมาหายไปหมดแล้วเหมือนฝันเมื่อวานนี้เป็นเหมือนความฝันไป ไปเที่ยวเท่าไหร่ไปหาได้ความสุขได้มาเท่าไหร่หายไปหมดพอตื่นขึ้นมาก็ต้องเริ่มต้นใหม่ต้องหาไปเรื่อยๆแล้วถ้าหาไม่ได้ก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีนี่แหละคือการที่เรามาระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพื่อที่เราจะได้รู้อนาคตของเราว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปคือ ถ้าเป็นบ้านเมืองก็บ้านเมืองจะต้องเกิดการนองเลือดเราจะอยู่ในบ้านเมืองนี้ไม่ได้เราต้องโยกย้ายไปอยู่อีอกที่หนึ่งร่างกายนี้ก็เหมือนบ้านเมืองที่เราอาศัยอยู่ในตอนนี้ต่อไปมันก็จะอาศัยมันไม่ได้ถ้าเร า, เารู้ว่าเราอาศัยมันไม่ได้แล้วเรารู้ว่ามี มีวิธีอื่นที่เราจะอาศัยทำให้เรามีความสุขได้เราก็ต้องรีบไปเปลี่ยนวิธีกันไปหาวิธีใหม่กันเลิกหาความสุขอย่างน้อยเบื้องต้นก็ลดละก่อนถ้ายัางเลิกไม่ได้ก็ลดมันทีละเล็กทีละน้อยก่อนเอาอาทิตย์ละวันก่อนเนี่ยพระพุทธเจ้า บ, บอกเอาวันพระเนี่ยวันพระเป็นวันที่เรามาเลิก หาความสุขทางร่างกายกันหนึ่งวันเนะี่ยมาถือศีลแปดเน 8, ี่ยศีลแปดนี้เป็นเหมือนกับรั้วที่จะกันไม่ให้เราหนีออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าไม่มีศีลแปดศีลห้านี้มันไม่ไม่ห้ามอยากจะไปเที่ยวเองไปเที่ยวได้อยากจะไปกินอาหารกี่เวลากี่ครั้งก็ยังกินได้ อยากดูหนังฟังเพลงอยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนอยากจะเสริมสวยความงามแต่งเนื้อแต่งตัวทาหน้าท า, า, ทาปากอะไรทําได้หมดสิหนห้าเพียงแต่ห้ามไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะั้นแะแต่ถ้าพอมาถือศินแปดนี้ไปไม่ได้แนละ้วเพราะไม่ต้องการให้เราไปต้องการให้เรามาสร้างสติสร้างปัญญากัน พอตอนนี้เราไม่มีสติและปัญญาพอที่จะกาจัดความอยากที่ยังมีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดไปเราเลยต้องมาสร้างสติสร้างปัญญาด้วยการหยุดการไปทำกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายสินแปะก็จะห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนกันไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือไม่เป็นแฟนก็ห้ามอาหารก็ไม่ให้กินมากเกินไป กินเพื่ออยู่กินพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ไม่ให้กินเกินหลังเที่ยงวันไปแล้วแล้วก็ไม่ให้ไปเที่ยวไม่ให้ไปดูมอหอลศพบันเทิงต่างๆไม่ให้นอนบนเตียงสำราญ น, นอนแล้วไม่อยากจะตื่นให้นอนน้อยๆเพื่อจะได้เอาเวลามาสร้างสติสร้างปัญญากัน เพราะการจะสร้างสติสร้างปัญญานี้ต้องมีเวลามากๆต้องมีเวลาที่ต่อเนื่องการสร้างสตินี้ต้องต่อเนื่องมันถึงจะได้ผลถ้าสร้างทำไม่ต่อเนื่องมันจะไม่เกิดผลเหมือนเด็กที่น้มลุกคุกขานี้มันจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ไม่เหมือนกับผู้ใหญ่ที่เดินได้วิ่งได้เนี่ยมันจะได้ผลมากกว่ากันเั้น ต้องมีเวลามาสร้างสติกันมาคอยควบคุมความคิดควบคุมความอยากกันความอยากนี่มันอาศัยความคิดเป็นเครื่องมือถ้าไม่คิดความอยากมันก็ไม่เกิดถ้าไม่คิดถึงขนมความอยากกินขนมก็ไม่เกิดถ้าไม่คิดถึงแฟนความอยากจะไปหาแฟนก็ไม่เกิดแต่พอคิดปั๊บนี่ความอยากมันตามมาทันที พอเกิดความอยากแล้วทีนี้ใจก็สั่นนะใจก็อยู่ไม่เป็นสุขต้องไปทำตามความอยากทำเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มไม่พอแล้วพอไม่ได้ทำก็จะเครียดจะทุกข์ขึ้นมาดังนั้นในเบื้องต้นนี้ต้องมาควบคุมความคิดควบคุมความอยากให้ได้ก่อนด้วยการใช้สติการจะมีสติก็ต้องอาศัยการจเจริญกรรมฐ า, าน กรรมฐานคืออารมณ์ที่เราจะมาใช้ควบคุมไม่ให้ใจของเราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเช่นให้เราบริกรรมคาว่าพุโทโธพุธโทโธไปหรือให้เราสวดบทเอติปิโสไปสวดมนต์ไปสวดหลายๆจบสวดไปเรื่อยๆถ้าใจยังคิดอยู่ยังคิดถึงขนมคิดถึงแฟนคิดถึงหนังคิดถึงภาพยนตร์คิดถึงการเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ ก็อย่าหยุดสวดอย่าหยุดพุทโธทาไปทั้งวันทั้งคืนช่วงที่เราไปปฏิบัติธรรมนี้เราไม่ต้องไปทาภารกิจอย่างอื่นเราไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นมีแต่ให้เรามาหยุดความคิดกันนี่คือการปฏิบัติในวันพระเป็นวันเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนวิธีหาความสุขแบบเก่าเพื่อมาหาความสุขแบบใหม่กัน ถ้าเราไม่ทำเรามันก็จะไม่มีวันเริ่มต้นมันก็จะไม่มีวันที่จะพาเราไปสู่จุดที่พระพุทธเจ้าน่พภาษาวกทั้งหลายไปถึงกันคือจุดที่ไม่มีความอยากภายในใจแต่ถ้าเราเริ่มต้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะพาเราไปเองเหมือนกับมีคำพูดว่าระยะทางจะยาวกี่พันกิโลก็ตามมันก็ต้องเริ่มต้นที่ก้าวแรกนี่แหละ ถ้าไม่เริ่มก้าวแรกมันก็จะไม่มีการเดินไปถึงระยะทางที่ไกลแสนไกลได้แต่พอมีการเริ่มก้าวแรกแล้วเดี๋ยวก็มีก้าวที่สองตามมาวันพระนี้หรือวันหยุดนี้ไปอยู่วัดสักวันหนึ่งไปถือศีลแปดไปสวดไปเจริญสติในทุกิริยาบทไม่ใช่เฉพาะเวลาเข้าโบสถ์สวดมนต์เท่านั้นการเจริญสติทาททงแนวปฏิบัตินี้ ปะิบถถือว่าอยู่ในโบสถ์ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมานะพอลืมตาขึ้นมาก็สวดมนต์ได้เลยไม่ต้องรอไปให้เขาตีะระฆังแล้วบอกถึงเวลาไปลงโบสถ์แล้วเขาไปสวดอันนั้นมันไม่ได้เป็นแนวปฏิบัติถ้าแนวปฏิบัตินี้ถือว่าพอเราไปอยู่วัดปั๊บนี้ถือว่าเข้าโบสถ์แล้วพอลืมตาขึ้นมาเตือนขึ้นมานี่ก็ถือว่าต้องเริ่มสวดแล้วต้องแข่งกับความคิดของเราแล้ว อย่าปล่อยให้มันคิดแบบที่เคยคิดเพราะเคยคิดมันจะคิดถึงของกินของดื่มก่อนใช่ไหมเพอาตื่นขึ้นมาก็หิวกาแฟแล้หิวขนมแลอวก็อย่าให้มันคิดเนี่ยเพอาตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธใส่มันเลยถ้าเป็นนักมวยก็เหมือนพอขึ้นเวทีก็อย่าไปล่อยรอให้เข้ามาต่อยเราเราวิ่งเข้าไปต่อยมันเลยเอ พุทโธพุทโธใส่มันเลยอิติปิโสใส่มันเข้าไปเลยทำไปรวบควบคู่ ก, กับการทำกิจกรรมที่เราต้องทำเช่นอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารพอพอเสร็จแล้วก็มาเดินจงกรมหรือมานั่งสมาธิก็ใช้พุทโธพุทโธหรือหรือสวดอิติปิโสไปก่อน ถ้าจิตเบาแล้วจิตไม่คิดแล้วก็เวลานั่งก็ดูลมหายใจเข้าออกได้ดูที่ปลายจมูกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ถ้าดูอย่างเดียวไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้รับประกันได้ว่าเดี๋ยวจิตต้องรวมเป็นหนึ่งจิตต้องเข้าสู่สมาธิจิตก็จะเหมือนวุบลงไปแล้วก็จะสุขขึ้นมาสบายขึ้นมาจะไม่รู้สึกอยากได้อะไรอยากมีอะไร ความอยากต่างๆที่เคยมีอยู่ในใจจะหายไปหมดความคิดที่ใคยคิดอยู่ตลอดเวลาก็จะหายไปหมดเหลือสักด์แต่ว่ารู้อันนี้หละคือเป้าหมายแรกของการปฏิบัติคือการสร้างความสุขแบบชั่วคราวก่อนสร้างความสุขที่เกิดจากการควบคุมความคิดควบคุมความอยากให้มันนิ่งให้มันเฉยให้มันสงบแล้วจิตก็จะมีความสุขขึ้นมาจะลด ความกดดันในการที่จะให้จิตไปหาความสุขแบบเดิมคือหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผทพะนะพอกจากสมาธิมาก็ต้องคอยควบคุมต่อไปอย่าเพิ่งอย่าปล่อยให้จิตยอยู่เฉยๆเพราะเดี๋ยวอยู่เฉยๆสักพักเนึยมันจะเริ่มคิดใหม่ แล้วก็จะกลับไปคิดเรื่องเดิมคิดถึงขนมนมเนยคิดถึงรูปเสียงกลิ่นนออะไรต่างๆอีกออกมาก็ต้องมาเจริญสติก่อนเพราะว่าสมาธิของเรายังไม่มั่นคงยังไม่ชมนานาญไม่รู้ว่าครั้งต่อไปจะเข้าได้หรือเปล่าวิธีที่จะทำให้เรากลับเข้าไปได้ก็คือเราก็ต้องมาเริ่มต้นตั้งสติใหม่เหมือนตอนแรกตอนที่เราเริ่มต้น พอออกจากสมาธิมาก็เหมือนกลับมาเริ่มตั้งสติกันใหม่ต่อมาพุทธโธพุทธโธต่อไปมาสวัสดิ์ติปิโสภายในใจต่อไปไม่ว่าเราจะทำภารกิจอะไรก็ตามเราก็ถ้าเราอยู่ในวัดเราไม่มีภารกิจที่จะต้องใช้ความคิดกันเราก็สามารถเจริญสติเจริญพุทธโธเจริญสวดมนต์ได้ทำอย่างนี้ต่อไปพอมีกาลังก็กลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่ พยายามกลับเข้าไปบ่อยๆวันละหลายหลายรอบออกมาสักชั่วโมงแล้วเสร็จเดินจงกรมเสร็จกลับใหม่ๆพอนั่งสมาธิก็จะรู้ว่าจะสงบหรือไม่สงบถ้าไม่สงบก็รู้ว่าช่วงนี้สติยังไม่ดีก็ออกมาจะริยสติใหม่ทําไปอย่างนี้เข้าออกเข้าออกอย่างนี้ไปก่อนจนกาจะมีสติที่ที่มีต่อเนื่องที่ที่มั่นคง ที่ไม่ลืมที่ไม่เผลอพอนั่งสมาธิให้ดูลมก็ดูลมให้อยู่กับพุทธโธก็อยู่กับพุทธโธแล้วไม่นานจิตมันก็รวมเป็นสมาธิขึ้นมาถ้าทําอย่างนี้ได้ทุกครั้งแล้วถือว่าเราเราชํานาญทางสมาธิแล้วพอเราชํานาญสมาธิแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องมาหัดเรียนทางปัญญามาเรียนรู้ว่าปัญญาคืออะไร วิธีที่จะเรียนปัญญาก็ต้องรอตอนที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิพอเราออกจากสมาธิมาเมื่อก่อนเราเคยใช้สติตอนเราก็เปลี่ยนมาใช้ปัญญาแทนแทนที่จะพุโทโธพุโทโธแทนที่จะสวดมนต์เราก็มาพิจ า, ารณาไตรลับแทนมาพิจารณาว่าไตารลักมีอะไรบ้างไตรก็มีแปลว่าสามลักษณะสามลักษณะคืออะไร อันนี้จังแปลว่าไม่เที่ยงทุกขังแปลว่าเป็นทุกขอนัตตาไม่มีตัวตนเนให้เราเราอาการทั้งสามนี้มีอยู่ที่ไหนบ้างก็มีอยู่ที่ร่างกายของเรานี่แหละมีอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสที่เราไปเสพกันนี่แหละมันก็เป็นอันนี้จังรูปบางทีก็มีให้ดูบางทีก็ไม่มีให้ดู เสียงก็มีให mm ้ด hmm. like ูให้ฟังบางทีก็ไม่มีให้ฟังอันนี้หมายถึงเสียงที่เราชอบนะรูปที่เราชอบบางทีก็มีให้เราดูบางทีก็มีให้เราฟังบางทีเขาก็ไม่มีเขาก็ไม่อยู่อย่างนี้เราก็ดูไม่มีอะไรให้ดูพอเวลามีก็สุขเวลาไม่มีก็ทุกข์เนี่ยนะเพราะมันไม่เที่ยงมันถึงทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วเราก็ไปสั่งมันไม่ได้ให้มันมีตลอดเวลา มันก็ทำไม่ได้เพราะมันไม่ได้เป็นของเรามันไม่ได้มีตัวตนที่จะรับคำสั่งมันเป็นธรรมชาติเหมือนดินฟ้าอากาศที่เราไปสั่งมันไม่ได้เนี่ยี่คือการพิจารณาตายรักเพื่อให้เห็นว่าถ้าเราไปพึ่งตถ้าเราไปพึ่งรูปเสียงกิจแล้เป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราไม่ช้าก็เล้วเราก็ต้องเจอความทุกข์ ถ้าเราต้องพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราไม่ช้าก็เร็วร่างกายมันก็จะไม่สามารถทําหน้าที่ของมันได้พอไม่ทําไม่ได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราก็คือทุกข์ขังนั่นเองเพราะเราไปหาความสุขจากสิ่งที่ไม่เที่ยงไปหาความสุขจากสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ ถ้าเราพิจารณานี้พอเกิดกามตัณหาความอยากจะเสพกามเสพรูปอเสียงกรริเรสมันก็หดตัวทันทีว่าควบคุมไม่ได้น ะ, ะได้เป็นขังบางครั้งบางคราวนะเวลาบางทีเขาก็มาบางทีเขาก็ไปนะเราไม่ได้อยู่ตลอดเวลาให้ความสุขกับเราตลอดเวลาอพอคิดอย่างนี้ได้ต่อไปเวลาเกิดความอยากตายรักมันก็จะมาหยุดความอยาก แล้วต่อไปความอยากมันก็จะหมดไปนี่แหละคือการใช้ปัญญาขั้นต่อไปหลังจากที่ชำนาญทางสมาธิแล้วถ้ายังไม่ชำนาญทางสมาธิอย่าพึ่งไปเพราะหนึ่งไม่มีกำลังที่จะไปพิจารณาได้อย่างต่อเนื่องสองจะไม่มีกำลังหยุดความอยากได้จะสู้ความอยากไม่ได้ถ้าสมาธิยังไม่มั่นคง แต่ถ้ามีสมาธิที่มั่นคงแล้วสามารถพิจารณาเห็นได้อย่างชัดเจนในตายรักความอยากที่มันมาคอยหลอกลอ่อจิตใจก็จะหายไปหมดเพราะจิตใจจะเห็นแต่ความทุกข์รออยู่ข้างหน้าไปหารูปเสียงกลิ่นรสก็จะทุกข์ไปหาลาบยศสรรเสริญก็จะทุกข์มองไปที่ร่างกายก็จะทุกข์เพราะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นมันก็จะ ความอยากมันก็จะหายไปเองหายด้วยอำนาจของปัญญาหายด้วยอำนาจของความจริงความจริงนี่แหละจะเป็นตัวที่จะมาทำลายความหลงความหลงเนี่ยเป็นตัวมาหลอกให้เราคิดว่าลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสนี่เป็นสุขกัน แต่พอพิจารณาด้วยปัญญาแล้วความจริงแล้วมันจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะเราสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันอยู่กับเราให้ความสุขกับเราตลอดเวลาไม่ได้ในที่สุดความอยากมันก็จะหมดไปด้วยอำนาจของปัญญาแล้วเราก็จะไม่ต้องทุกข์กับอะไรอีกต่อไปเพราะใจของเรามีความสุขจากการที่เราได้ พบกับความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่เกิดจากความสงบด้วยอำนาจของสติและปัญญาเราก็จะไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปกับร่างกายร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บจะตายก็ไม่ทุกข์ลาบยศสรรเสริญสุขจะหายไปก็ไม่ทุกข์การที่เราจะปฏิบัติทมเหล่านี้ได้ก็เกิดจากการที่เราหมั่นระลึกถึง ความแก่ความเจ็บความตายเราเลิกถึงความพัดภาคจากกันอยู่เรื่อยๆจนไม่หลงไม่ลื ม, ม, ลมเราจะทำให้เราเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันให้เรามาหาความสุขที่เป็นนิจจังสุขขังอัตตาที่จะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือเรื่องของความไม่ประมาทที่นำเอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ้ะขออนุโมทนาให้พรยถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตตสัพเพปุเรนตตจังกับปา จันโทปันะระโสยะธาเมเนจเดระโสยะาสัพพิติโยวิวาจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตโนันตารายุสุขีทีขายุโกภวะ อภพิวาทนานสีลิสะนิจังุทธะปจายนโนจตารโรธรรมะวาทันติอายุวันโอสุขังปาลาังําดับต่อไปเป็นช่วงถามคำถาม ใครอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงที่เหมาะที่สะดวกที่สุดหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกเพราะาต้องมีอะไรต้องทําอีกอยังงั้นถ้าอยากจะถามขอเชิญเชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ ค่ะวันนี้จาก Facebook 6 4้ y o ส t u ส e 218ยูทสองยสวิีออนไลน์12ผู้รับฟังบนนี้ห้าสิบหรวม9 3้า้ยสาสท่านค่ะคำถามจากคุณสมศักดิ์ค่ะเวลาจิตคิดปรุงแต่งเรื่องธรรมะจากพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วขันมีอาการขนพองสยองกล้าวมันคืออะไรครับก็มันก็เป็นอย่างนั้นแนหะมันคืออะไรก็รู้ว่ามันคืออย่างนั้นก็ลองกัน รู้ว่ามันไม่เที่ยงเกิดแล้วดับอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้เดี๋ยวคราวหน้าอยากจะให้มันเป็นมันไม่เป็นก็ได้ถึงแม้จะฟังธรรมะอันเดียวกันแต่มันอาจจะไม่เป็นเราก็ได้อพราะงนก็ให้รู้ว่ามันเป็นอนิจจงทุกขังถ้าเราไปยึดไปติดเพราะมันเป็นอนัตตาเรายึดไปติดมันไม่ได้ก็รู้ตามความเป็นจริงรู้ว่ามันเกิดแล้วก็ดับไป ไม่มีผลอะไรต่อจิตใจในระยะยาวคุณไอเบรี่ หนูส่งผ้าปิดจมูกไปถวายวัดพระป่าที่หนองคายพระท่านถามว่าทําไมหนูไม่เก็บไว้เองหนูก็กราบท่านว่าหนูนึกถึงท่านก่อนตัวเองหนูก็ดูใจตัวเองพบว่าไม่ได้ตื่นเต้นดีใจที่ได้ทําบุญแต่รู้สึกยินดีที่ท่านได้รับของที่ขาดแคลนในตอนนี้เลยอยากกราบเรียนถามว่าหนูวางจิตถูกต้องไหมคะถ้าหนูไม่เทกก็ถูกต้องแล้วละ คุณแม่เราจะสามารถปิดประตูอบายได้ด้วยวิธีไหนเจ้าคะก็อย่าทําบาปเนี่ยข้อด้อบายอมุกด้วยอย่าอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดประเวณีอย่าพูดปดอย่าดื่มสุรายาเมาอย่าเล่นการพนันอย่าเที่ยวเตะอย่าเกียดคร้านและอย่าคบคนที่ชอบอบายอมุกเป็นมิตรเนยแล้วโอกาสที่เราจะไปอบายนี้ จะมีน้อยมากแต่ยังมีโอกาสไปได้ยังมีโอกาสทำบาปได้ถ้าเราโกรธมากๆเราก็ยังอาจจะไปทำบาปได้ถ้าเราโลภมากๆ ก, ก็ยังอาจจะไปทำบาปได้แต่ถ้าเรารักษาศีลไม่มั่นคงเราก็อาจจะสู้กับมันได้ คุณทันทชาหนูสวดมนต์ไหว้พระตามยูทูบเกือบจะทุกวันที่บ้านแต่ไม่ได้จุดธูปไม่ทราบว่าจะได้กุศลบ้างไหมเจ้าคะใจเราสงบใจเราเย็นก็นั่นแหละคือกุศลไม่ได้อยู่ที่ธูปที่เทียนปฏบิบัติบูชาไม่ต้องใช้ธูปเทียนถ้าอมิศบูชาถึงต้องใช้ธูปเทียนแต่อมิสบูชานี้ให้ผลไม่มากเท่ากับปฏิบัติบูบชา ยังไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอมิสบูชาถ้าเราอยู่ในที่ที่ไม่จำเป็นที่จะต้องทำอามิสบูชาอมิสบูชานี้เขาทำในช่วงในขณะที่เรามารวมกันามาอยู่หน้าพระพุทธรูปอย่างนี้เราก็มากราบพระมาจุดธูปเทียนมาทำอะไรกันเพื่อแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวเราเคารพด้วยการปฏบิบัติบูชาจะดีกว่า ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้อมิตสบูชาเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกผู้ที่บูชาเราที่แท้จริงคือผู้ปฏิบัติบูบชาคุณขันท้า ในอดีตผมเป็นคนหนึ่งชอบฟังธรรมหลวงตามหาบัวมากในช่วงที่ท่านยังอยู่ฟังแล้วก็พิจารณาเห็นตามท่านครับแต่ธรรมที่ผมจะขอถามคือสมมุติว่าเรามีเพื่อนอยู่ร้อยคนแต่มีคนที่พอจะมีธรรมะในใจเข้าใจธรรมะจริงๆเพียงสิบกว่าคนในส่วนเพื่อนที่มองส่วนเพื่อนที่มองเราเขามองว่าถ้าเองจะทําขนาดนั้นเองไปบวชจะดีกว่าประมาณนั้น ความหมายคือแค่ความคิดมันก็ขัดแย้งแล้วเช่นเขาชวนไปเที่ยวตามสถานบันเทิงของลูกผู้ชายผมจะวางตัวอย่างไรดีในสิ่งที่เขามองให้รู้สึกว่าพอดีหรือเหมาะสมครับหรือผมจําเป็นต้องทิ้งพวกเขาเหล่านั้นไปห ร, ไหรือไม่หรือไม่เขาจะต้องเป็นฝ่ายทิ้งผมเองเพราะแนวคิดมันไปกันไม่ได้ครับแน่นอนแหละมันเป็นเหมือนกับเวลามาที่สี่แยกไฟแดง คุณจะไปทางไหนล่ะคุณจะไปทั้งสามทางไม่ไดนะ้จะตรงไปแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายแล้วก็จะเลี้ยวขวาด้วยไปไม่ได้หรอกคุณก็ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งก็เลือกทางที่มันดีที่สุดสำหรับคุณก็แล้วกันถ้าไปกับเพื่อนยังดีสำหรับคุณก็ไปกับเพื่อนต่อถ้าคิดว่าไปคนเดียวดีกว่าก็ไปคนเดียวพระพุทธเจ้าท่านก็เคยตรัสสอนว่าถ้าเราไม่สามารถ คบกับคนที่เขาดีกว่าเราเก่งกว่าเราได้แล้วดีเท่าเราเก่งเท่าเราได้ก็สู้อยู่คนเดียวดีกว่าอย่าไปอยู่กับคนที่เขาโง่กว่าเราเขาเลวกว่าเราเพราะเขาจะฉุดจะลากเราไปในทางของเขานั่นเองคุณเบนิเมดการติดเชื้อโควิดเป็นกรรมจากในอดีตหรือเปล่าคะใชกก่กรรมก็คือที่มาเกิดนี่ไง พอมาเกิดมันก็ต้องติดเชื้อทุกชนิดน่ะที่มีอยู่ในโลกนี้ฮอันนี้เป็นเพียงตัวเดียวมันมีอีกหลายเชือ้อเดี๋ยวซาก็มาเดี๋ยวเมอก็มาเดี๋ยวเอชก็มาเดี๋ยวอีโบลาก็มาเมื่อก่อนสมัยเด็กๆ ก, ก็อหิวาสมัยก่อนนี่ตอนที่เกิดอหิวาระบาดนี่ก็ต้องฉีดวัคซีนกันเวลานั่งรถเมล์เขาจะม่ด่านตรวจดูบัตรว่าฉีดวัคซีนหรือ ย, อยังถ้ายังไม่ฉีดเขาจับฉีดตอนนั้นเลย สมัยก่อนที่เราเป็นเด็กๆ เ, เดินทางมาพัทยาเนี่ยแถวาบางประกงก่อนจะขึ้นสะพานนี่ก่อนจะมีด่านให้ร ถ, ใ ห, รถให้รถบัสจอดแล้วก็จะขึ้นมาตรวจเขาดูบัตรเขาดูบัตรฉีดวัคซีนว่ามีหรือเปล่าไม่มีเขาก็เชิญลงไปฉีดเลยนั่นแหละมันมีมาทุกยุคทุกสมัยเรื่องโครคภัยคข้เจ็บมันมากับการเกิดยันถ้าไม่อยากจะมาไม่อยากจะมาเจอโครคภัยคข้เจ็บก็อย่ามาเกิด ทุกย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นและเหตุที่ทำมาให้เรามาเกิดก็คือกรรมนี่แหละตัณหาความอยากนะความอยากมันทาให้เราไปทำกรรมต่างๆไปหารูปเสียงกลิ่นรสไปหาลาบยศรเสริญกันทำบุญทำบาปกันแล้วภาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันยิ่นเมื่อมาเกิดแล้วก็อยากไป อ, อยากไปเขาเรียก อย่าไปโวยวายว่าคุณนม่มาเกิดเพื่อมาเจ็บไข้ได้ป่วยก็คุณไม่อ่านสัญญาก่อนเนี่ยว่าเวลาจะมาเกิดจะต้องมีสัญญาก็เขียนไว้แล้วเมื่อมันเกิดมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายออ่างนเมื่อมาเกิดแล้วก็อย่าไปโวยวายยอมรับสภาพสี่มันหมดเรื่็ว ถ้าไม่อยากจะรับสภาพก็อยากกลับมาเกิดถ้าไม่อยากกลับมาเกิดก็ไปบวชไปปฏิบัติเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระสาวกแล้วต่อไปก็จะได้ไม่ต้องมาเจอโครคภัยไข้เจ็บต่างๆคุณวชิระวิตถ้าสอนลูกในวัยรุ่นให้พิจารณามรณ า, านุสติบ่อยๆจะเหมาะสมไหมและถ้าสอนให้นึกบ่อยๆว่าถ้าพ่อตายจะรู้สึกอย่างไรจะดีไหมครับก็ลองดูสิ ไม่ลองก็ไม่รู้สิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นเนะ่ยคุณนุ่นทําความดีอย่างไรจึงจะไม่เป็นภยัยเพราะไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินก็ไปบวชเนี่ยทําทําความดีแบบนักบวชไม่ค่อยมีใครเขาว่าเด่นมีแต่เขาสาทุ่สาทุ่กันนะเห็นไหมเวลาไปบวชนี่โหคนมาส่งเยอะแยะไปหมดเนะย <his> คุณวรสารพระที่เห็นแก่ลาบสักการะและไม่พูดไม่ตรงในทางโลกคือโกหกแต่ยังสอนญาติโยมในคำสอนเรื่องผิดศีลและพระจะตกนรกไหมเพราะคำสอนท่านบอกว่าจิตสุดท้ายจะพาไปที่ดีก็โกหกมันก็ไปอบายทาบาปมันก็ไปอบายจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเห็นจิตไม่สงบ และสงบคิดดีและไม่ดีบ้างเราต้องให้จิตรู้ด้วยปัญญาคิดด้วยปัญญาต้องเห็นไตรลักษ์ไหมครับก็ให้เห็นแล้วก็รู้ตามความเป็นจริงอย่าไปอยากเวลามันไม่สงบก็อย่าไปอยากให้มันสงบก็จะไม่ทุกข์ แต่ถ้ามันไม่สงบแล้วอยากให้มันสงบมันก็จะทุกขขึ้นมาต้องรู้ว่ามันเป็นอนิจจังเหมือนกันจิตก็เป็นอนิจจังเวทนาก็เป็นอนิจจังร่างกายก็เป็นอนิจจังถ้าไม่อยากจะไปทุกข์กับมันก็อย่าไปอยากกับมันปล่อยให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงของมันคุณยุทธนาเวลาภาวนาตัวจะแข็งทื่อใจเฉยต้องแก้ไขอ ย, อย่างไรครับ เพื่อไม่ต้องแก้ไขอะไรก็ทำเพื่อให้มันแข็งทื่อให้มันเฉ ย, เฉยก็นี่คือผลของการปฏิบัติสมาธิไงมันก็ค่อยรู้เฉยๆไปแต่ว่าถ้ายังไม่สุขก็ยังแสดงว่ายังไม่ถึงจุดก็ต้องทําต่อไปถ้ามันถึงจุดแล้วมันจะสุขจะสบายจะแข็งทื่อก็ไม่เดือดร้อนคุณสมเกียรต การติดสุกในสมาธิถือเป็นกิเลสไหมครับถ้าไม่ออกไปทางปัญญาต่อไปก็จะติดอยู่ตรงนั้นจะทำให้ไม่ก้าวหน้าจะได้แค่ขั้นขั้นสมาธิได้แค่ขั้นพระให้ขั้นขั้นพรหมแต่จะไม่ได้ขั้นอริยบุคคลถ้าอยากเหมือนคนติดจบปริญญาตรีแล้วไม่ไปเรียนปัญญาโทต่อก็ได้แค่ระดับปริญญาตรี ถแม้จะเป็นกิเลสมันก็ไม่เป็นกิเลสแบบไปติดเหล้าติดอะไรติดสาวติดผู้ชายนี่มันมีโทษมากกว่าไปติดสมาธิการติดสมาธิทำให้ไม่คืบหน้าไปในทางปัญญาเท่านั้นเองแต่ไม่มีผลเสียหายเหมือนกับการไปติดเหล้าติดบุหรี่ติดยาเสพติดเนี่ยหมดแล้วนะเพราะว่า การปฏิบัติยังไปไม่ถึงขั้นสูงสุดยังไม่ถึงนิพพานผู้ปฏิบัติต้องเดินต้องปฏิบัติต่อไปจนกว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางคือพระ น, นิพพานถ้าไปติดสมาธิก็จะไม่ไปเจริญทางปัญญาต่อจะนั่งสมาธิอย่างเดียวออกจากสมาธิก็จะเจริญสติอยู่เรื่อยๆแล้วก็กลับก็ไปนั่งสมาธิอยู่เรื่อย อย่างนี้ก็จะยังไม่สามารถทำลายความอยากที่จะพาให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้อยู่ถ้าอยากจะทำลายความอยากก็ต้องพิจารณาไตรักพิจารณารยาศาสตร์สีพิจารณา ร, รษษา่างกายเวทนาจิตนะเพื่อปล่อยวางแล้วถึงจะสามารถที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ก็ในยุคสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเขาก็ติดอยู่แค่ขั้นสมาธิกันทุกคนพระพุทธเจ้าก็ไปศึกษาจากอาจารย์รูปไหนก็ได้แค่ขั้นสมาธิพระพุทธเจ้ายังไม่พอใจเพราะรู้ว่ายังไม่ได้เป็นความสงบที่ถาวรเวลาออกจากสมาธิใจยังฟุง้งยังเครียดยังทุกข์อยู่เลยต้องหาวิธีที่จะทำให้มันสงบอย่างถาวร์ยินในที่สุดก็ค้นพบสาเหตุที่ทาให้มัน ไม่สงบก็คือความอยากต่างๆนี่และเหตุที่จะทำให้ความอยากหายไปก็ต้องเห็นความจริงเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอนุสุพะเห็นปฏิกูลของอาหารแล้วความอยากต่างๆที่เคยมีอยู่ก็จะหายไปหมดจากคุณภัยทูลสมัยที่พระพุทธ เจ้าสมณะโคโดมเคยเป็นนายโคบาลได้ห้ามโคไม่ให้ดื่มน้ําเพราะเห็นว่าน้ําขุ่นเพราะเหตุอกุศลอะไรจึงเป็นวิบากกรรมให้พระชาติสุดท้ายพระพุทธองค์ทรงกระหายน้ําเมื่อใกล้ไปนิพพานครับ อ, อ๋อมันกระหายน้ำมันเป็นธรรมดาของร่างกายไม่ว่าจะเป็นของพระพุทธเจ้าหรือไม่เป็นพระพุทธเจ้าแต่ที่ได้กินน้ําขุนก็เพราะว่าเมื่อก่อนไปห้าม ให้หวัวไม่ให้กินน้ำํำหรือให้กินน้ําขุนอะไรเนี่ยมันก็เลยกรรมมันก็เลยกลับมาตอบสนองถึงแม้เป็นพระพุทธเจ้าก็ยังหนีพ้นไม่หนีถ้ายังมีชีวิตอยู่กรรมยังตามมาได้กรรมยังส่งผลให้กับพระพุทธเจ้าได้อส่งให้เทวทัศน์มาพยายามรอบวงพชนถึงสามครั้งอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมเก่า แต่ดีตรงที่ใจไม่ไม่หวั่นไหวใจใจพ้นจากกรรมแต่ร่างกายยังไม่พ้นถ้ายังมีร่างกายอยู่ยังต้องถูกถูกกรรมตามลาวีได้เหมือนองคคุลิมานเป็นพระอรหันต์แต่เวลาไปเถาบหมู่บ้านที่ชาวบ้านรู้จักเขาก็เควยงก้อนหินไล่เเพราะเพราะว่าทํากรรมเก่าไว้ที่หมู่บ้านเขาไปฆ่าคนในหมู่บ้านเขาฉะนั้น แต่ไม่มีกรรมตามมาได้ก็ต่อเมื่อไม่มีร่างกายเพราะมุกคลานะก็ต้องถูกเขาฆ่าตายแต่ใจท่านไม่ไม่ทุกข์ไม่หวั่นไหวเพราะท่านเห็นว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาความเจ็บเป็นเรื่องธรรมดาท่านผ่านมามากกว่านี้ท่านตายมาก่อนแล้วพระหลานทุกลบนี้ตายเป็นแะ้เจ็บเป็นแล้วเคยผ่านความเจ็บมาแล้วเคยผ่านความตายมาแล้วท่านก็เลยไม่เดือดร้อนกับความเจ็บความตายของร่างกาย แต่ถ้าเป็นปุตุชนนี้โอ้ยก็เครียดขึ้นมาใช่หไหมเนยพอได้ข่าวซาได้ข่าวโควิดหนึ่งเก้านี้ก็กินไม่ได้นอนไม่หลับกันละแต่ถ้าเป็นผ้าน่านท่านก็เฉยเฉยเป็นก็เป็นหายก็หายตายก็ตายจะทำยังไงได้ไปห้ามมันไม่ได้หมดแล้วยังอตามต่อ คุณเฉริมเกียรติพุทธแท้คือรู้เฉยๆเมื่อรู้เฉยๆก็คือว่างเปล่าไม่มีตัวไม่มีตนแต่ไม่หายไปไหนมันมีอยู่อันนี้ถูกต้องไหมครับสําหรับจิตเดิมของเราไม่ใช่จิตเดิมหรอกมันเป็นจิตที่ปล่อยวางให้รู้เฉยๆไม่มีความโลภความโกรธความหลงความอยากกับสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสรับรู้ให้สักแต่ว่ารู้ได้เห็นก็สักแต่ว่าเห็น ในใจะเห็นแล้วก็เกิดความอยากเห็นรถเบนซ์ก็อยากได้ขึ้นมาทันทีเห็นเห็นคนนั้นคนนี้ก็อยากได้มาเป็นแฟนทันทีนี่ไม่ได้เห็นเฉยๆเห็นแล้วเกิดกิเลสขึ้นมาสําหรับผู้ที่ไม่ต้องการจะมีความทุกข์ต้องเห็นเฉยๆจะได้ไม่ไปเอาสิ่งที่มันเป็นทุกข์มาถึงแม้จะคิดว่าเป็นสุขแต่มันเป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบนซ มันเหมือนความสุขที่มีเบ็ดมีความทุกข์ซ่อนอยู่ข้างในอีกทีหนึ่งเดี๋ยวไม่ชา้าก็เร็วก็ต้องทุกข์กับสิ่งที่ได้มาคุณน้ำหวานทําอย่างไรให้จิตมีเมตตาคะอ๋อก็ฝึกสมาธิไปเนี่ยจิตสงบแล้วมันก็จะมีความเมตตาเพราะความโลภมันไม่มีเมื่อไม่มีความโลภมันก็เลยเมตตาได้ที่ลภเมตตาไม่ออกก็เพราะความโลภ สามอยากได้ความสุขให้กับตัวเองก็เลยทำให้ไม่สามารถแบ่งความสุขให้กับคนอื่นได้แต่พอมีความสุขในใจเต็มหัวใจแล้วทีนี้ข้าวของเงินทองที่เคยหวงก็ยกให้คนอื่นได้เพราะไม่รู้จะเก็บเอาไว้ทาไมเพราะมันไม่ได้ให้ความสุขเท่ากับความสุขที่ได้จากความสงบคุณภูสาเหตุที่ต้องมาเวียนไหวตายเกิดเพราะอาวิชา เมื่อนิพพานแล้วจิตกลับไปเป็นจิตเดิมแล้วมีโอกาสจะปนเปื้อนอวิชชาจนต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกหรือไม่เจ้าคะเพราะอะไรไม่มันไม่ได้เป็นจิตเดิมมันเป็นเป็นจิตบริสุทธิ์จิตดำกับจิตบริสุทธิ์ไม่เหมือนกันจิตดำเป็นจิตที่ยังมีอวิชชาอยู่จิตบริสุทธิ์อวิชชาถูกทําลายไปด้วยปัญญาเหตนั้นจิตบริสุทธิ์นี้จะไม่มีกิเลสตัณหาโมหะอวิชชากลับมาครอบงำจิตใจอีกต่อไป แต่จิตเดิมก็จิตที่อยู่ในสมาธินี่ยังมีอวิชชาโมหะตันหาอยู่เพราะออจากสมาธิมากิเลสตันหาโมหะอวิชชาก็กลับเข้ามาครอบงำจิตใจใหม่คุณพิราตาถ้าเราเห็นผู้อื่นทำบุญแล้วเราแค่นึกสาธุในใจเฉยๆจะได้บุญเท่ากับกันเปล่งคำว่าสาธุกับผู้นั้นไหมคะก็ดูที่ใจเราเนี่ย เรมีความสุขกับเขาหรือเปล่าเลยว่าเราอิจฉาเขาน้อยใจเขาได้ทําบุญเราไม่ได้ทําบุญเอลยว่าเสียดายเงินแทนเขาอเอาเงินไปเที่ยวดีกว่าไม่น่าไปทําบุญเลยมันก็อยู่ที่ใจเราดูที่ใจเราหมนแล้วใช่ไหมหมดแล้วค่ะโอเคหมือนแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา